Book two. 2สิห้าผลไม้และอาหารอวอซดิฉันมีสตรอเบอรี่มาิดิฉันมีกีวีและแตงโม มั m k i ว i a an, m e l ลอดิฉันมีส้มและกล้ฟรุตงมัมปอมรันจ์อะเกรบดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงมัมยาบลโกอะมังโดิฉันมีกล้วยและสับปะรดม a มบานาน ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม ยิมทูส์ส์มัส l ลมและมาร์멜าดูดิฉันกำลังทานแซนด์วิชย i มแซนด์วิชดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมยิมแซนด์วิชส์มาร์การินดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ j Potřebujeme chléb a rýže. Potřebujeme rybu a s t e i k y Potřebujeme rybu a a spagetti. Potřebujeme pizzu a špagety. เราต้องการอะไรอีกไหมเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนคารุณาไปที่